บุ52 52 <52 S 1> ๊กทูห้าสิบสอ a เด a ิตอ a ดวาในห้างสรรพสินค้าอูร็อบนุ u คูชิเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมโฮเ c h อลิอิชิอูร็ b บนุคูชู ดิฉันต้องไปซื้อของยากมุ่งรำอบาบิติคูพวินุดิฉันอยากซื้อของหลายอย่างฮอชูพุนโอโตกาดะคูพิมแผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนคะเดียสูอูเรตสกีอาร์ติคลี ดิฉันต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียนตแตรบัมคอเวร์เตอีพา r za ์ซาปิสดิฉันต้องการปากกาลูกเลื่นและปากกาเมจิกแตรบัมเฮมิสเกอออโลฟ i กออีลฟลอ e าสเตแผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหนกดเย n a m า e ิสไช ดิฉันต้องการตู้และตู้ลินชักดิฉันต้องการโตเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสื อ, สอนแผนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะ eg Peter ที่ฉันต้องการตุกตาและตุกตาหมีตรีบามเยดนูลุดกู i ิเมดยดิชะที่ฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุปตรีบามฟุตบัลสกูลอปตุอิชาคพันแกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะกดีเยี่ย์อาลั ดิฉันต้องการคอรและคีมาคคลเอชตาดิฉันต้องการสว่านและไขควง t ท e ัมบูชิลิซอีอาชแผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนดเยาิตดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ ดิฉันอยากได้แหวนและต่างหูรบามแหวนและนาฬิ